วันนี้มีกลุ่มครูจากโรงเรียนโนนจีลาคอนแก่นมาสัมทบกลุ่มของ A.A. a กลับไปมาสามวันมาในคำสั่งของราชการให้มาปฏิวัติธรรมที่วัดป่าสุโกโต โครงการพาใจกลับบ้านกนมา3ามวัน้วนะมากล่อมใจจะพาใจกลับบ้านมันจะยอมหรือเปล่าพอ3มวันนี้กำลังปรับเนื้อปรับตัวเลยเนี่แหลากบชุมชนวิถีชุมชนจะปรับได้ไหมบอกว่าไม่คุย อยากคุยมันจะหยุดคุยได้ไหมเพราะการพูดการคุยเป็นเงามาจากความคิดทั้งหมดนั่น<ม>ปกติวาา่าใจขอมันคุยมันก็เลยไม่เห็นความคิด<ม>ถ้าเห็นความคิดคุยมันก็คุยแต่สาละ<ม>บ้านของจิตคือปกติ ตันนี้เราใช้ความหมายการพูดคุยคุยไว้ก่อนพูดไว้ก่อนทาได้ไม่ได้เดี๋ยวได้ว่ากันที่นี้จึงใช้การกระทําเรียกว่ากรรมฐานเป็นหลักของการปฏิบัติเป็นรูปแบบการฝึกการหัดมาวัดกับวัดจิตครับปกติหรือไม่ปกติบ้านของจิตมาตรฐานของจิตจ ต, ต้องปกติ มันสุกมันทุบมันอยู่ตัวเองใจมีสติอยู่กกายอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างปุถุชนนี่อยู่ไม่ได้เลยใจไม่มีบ้านลืมเนื้อลืมตัวลืมกายไปอยู่ชน์ความคิดอยู่กอารมณ์อารมณ์ค้างนานๆจนเป็นโรคจิตโรคประสาท ต้องกินยารักษาโรคประสาทบำบัดกันทางจิตทางใจใช้อยู่ใช้ยาใช้หมอใจโรงพยาบาลตอนนี้เราให้จิตใจมันมีที่อยู่เครื่องอยู่เบื้องต้นก็เรียกว่ากายทั้งเขาว่าจรดเท้าในเพราะการฝึกหาดรูปแบบใหม่ๆ ม, มาต้องมีรูปแบบ หรืว่าดูจิตยังไม่เป็นก็ต้องกลับมาหารูปแบบที่เป็นรูปแบบเบื้องต้นเป็นหลักเป็นฐานเป็นการเป็นงานที่จะต้องทำการเคลื่อนมือจิตใว่าการเดินจงกรมเป็นแบบที่จะต้องทำจะนั่งดูลมหายใจก็ได้อยู่ถ้ามีฝีมือถ้าจิตมันเป็นอัตโนมัติมันก็รู้ชัดได้ แต่ถ้ายังไม่รู้เป็นอัตโนมัติต้องใส่เจตนาลงไปไม่เช่นนั้นเป็นกรรมที่เป็นโมคะเรียกว่ากตตกรรมโมคะโบคะบุรุษโมคะสตรีทำไมโมคะคือทุกครั้งเกอนไหวรู้สึ ก, ร, สกรูปแบบมีแบบจะเทเกรเกียดตก็ต้องทำแบบ เป็นแบบสาสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจดเหลี่ยมแปเหลี่ยมกันแล้วแล้วแต่แบบแต่มีแบบรูปแบบก่อนเกี่ตเตลงไปแกะแบบออกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละตั้งมันดีแข็งแรงดีรับแรงได้รับตัวเองได้รับแรงที่อยู่ข้างนอกได้การชั้นหชั้น2ชั้น3โครงร่งกายเป็นต้น ใจของเรามันเหลวไหลมันไหลไปพบภูมิต่างๆเป็นอสุรกายอบายภูมิสัตว์เดรัจฉานต่างๆมันหลงหลงพบชาติมันก็ต่ำมันก็ตกจิตตกมันก็ต่ําจิตต่ํามันก็ตกจิตตกต่ํามันก็ไม่สุขหรอกมีแต่ทุกข์เท่านั้นขัดแย้งไปในจิตใจสุขก่อนเดี๋ยวทุกข์ทีหลังอบายภูมิ ง่ายๆแล้วแต่ถลงมไปแล้วมันยาวทุกยาวเราก็ต้องใส่แบบให้มันวนกลับมาปัจจุบั็นขนไหลไปแบบไหนอดีตนาต<ม>ในิสัยความเคยชินคุ้นชินปัญหาเก่าๆความทุกข์ที่มันไม่หลุดลงไปสักทีเจือจางลงไปจากกิจากใจของเราเราก็ ใส่กรอบใส่แบบไว้มันจนมันหยุดดิ้นมันเคยไหลไม่ไหลแล้วตอนนี้มันอยู่กับปัจจุบันกักเอาไว้มีกรอ บ, ม, รอบมีกฎมาอีกกติกาหลว่าเทียนถึงให้ใช้ใ14ยอาไว้เป็นกรอบมันจะไปไหนก็จะมันเถอะแต่ว่าฝึกกรรมาฐานให้กลับมารู้สึกที่ฐานกาย mm. เห็นกายเคลื่อนไหวนะ จงกรมกระกายนั่งสร้างจังหวกะก็ายลมหายใจกระกายกระพริบตาก็กายถ้าเป็นเพียงกายหยาบกายละเอียดก็คือความรู้สึกตัวอย่างหยาบแล้วก็อย่างละเอียดกายนอกกายในดุลก่อนเป็นกายนอกเราวางกายหนอ่อยเหมือนอุ่นยนเหมือนอุ่นก็บอกมันไม่ใช่ร้อนแน่ๆละดีค่าไว้ได้เลย ใจเราต้องบังคับามันมได้เฮ้ยอย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าปวดปัสสาวะนะอย่าปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนะต้องสั่งได้สั่งไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้เดินนานก็ไม่ได้สั่งไม่ได้มีแต่เอามาเรียนมารู้มาฝึกมหาหัน ทุกอาการที่ปรากฏอยู่ที่กายมันก็จะเป็นอาการเป็นธรรมชาติของกายไม่อย่างนั้นมันเป็นกรรมเป็นวิบากกายนี่กรรมวิบากเยอะแต่จิตใจนี่ฝึกได้ไม่ต้องรับเวริรับกรรมในจิตในใจฝึกก็ได้ไม่ต้องทุกข์แต่กายยังไงก็ต้องทุกข์ควาเป็นก้อนทุกข์อยู่แล้ว ต้องกินต้องกลับถ่ายต้องหาย ใ, ใจต้องหลับต้องนอนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขทุกตลอดไปเรื่มเวลาแต่จิตนี่มันคิดเป็นทุกข์เนี่เมื่อกลับมารู้สึกก็หยุดทันทีหยุดคิดทันที mm. นี่แหละกลับบ้านแล้วคืนสู่สภาวะปกติให้กับจิตนคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้กับจิตทิมเป็นปกติน้อ ย, อยประพัดสอนป่องใส น, น้อยไปก่อน เสกขะเอาเสกขะปฏิบัติแล้วมันไม่ทุกข์ทุกขังที่รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกทำไปเรื่อยๆมันก็ก่อล่างสร้างตัวจากปกติน้อยๆนะรู้สึกตัวน้อยๆก็มากขึ้น จากความคิดถิ่พาไปสู่แบบต่างๆไปสอนลกอสูรกายเดียรฉานให้มันเป็นเทวดาปรมพระไปเลยเลยว่าความเป็นพระคือปกติพระคือพละพลระคือกำลังใจแรงใจไม่จนใจ มีสติมีศีลสมาธิปัญญาม้องไวมันจะไม่งมงงงามงัวหล ง, งงมงายงงเป็นบากเป็นกรรมกลายเป็นความติดตันต้องตันหาอยู่ตลอดเวลาหาแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดอยู่ตรงไหนแสวงหา มีเท้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็เข้ามารูบรุดกินเสียงต่างๆวั ต, ตวถูกกรรมคุณ mm hmm. จนเรียวเห็นแก่ตัว mm hmm. บัดนี้ mm hmm. บ้านของมันอบอุ่นดีมันก็ไม่ได้เอาเข้ามันเป็นความสุขจากการไม่มีอะไร mm hmm. เป็นความสุขจากผ่านของจิตของใจที่มันว่างๆว่างๆ มันมีความหยุดหยุดเย็นๆยนรู้สึกตัวครั้งหนึ่งก็หยุดคิดครั้งหนึ่งหยุดคิดครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้มีความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจครั้งหนึ่งว่างมันก็สะอาดสว่างสงบก็นายอยู่บานเกิดประโยชน์สูงประหยัดสดขึ้นมา ประโยชน์สูงก็ตรงเป็นประโยชน์ของการมีชีวิตมนุษย์ในประโยชน์สูงสุดเลยเจ็ใจมีพระมีพลังรู้มันก็จะคืนสู่ธรรมชาติดินสู่ดินน้ําสู่น้ําลมสู่ลมไฟสู่ไฟมันรู้สึกมันรู้เลยจริงเหล่านั้นคือธรรมชาติการเคลื่อนการไหวทั้งวันอาการกิริยาต่างๆเป็นเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ มันก็ไปยึดไม่ถือเหมือนกันแหละมันก็พัฒนาได้จิตใจเคยยึดก็ไม่ยึดไอ้ที่ไม่เคยยึดก็ยึดขึ้นมาอะไรที่เคยยึดก็ไม่ยึดนไอ้ที่ยึดเคยยึดก็ว่าเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเคยยึดแบบนั้น ก็กลายเป็นไม่ยึดกันมาป ล, ป, ลปล่อยวา ง, วางเห็นรูปก็วางรูปเห็นนามนธรรมก็วางนามนธรรมเห็นความคิดวางความคิดเห็นความทุกข์วางความทุกข์ไอ้ที่ไม่เคยถือก็ถื อ, ถอมาคุณธรรมต่างๆนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือขึ้นมาถือเป็นไตสันนิคมพระพุทธก็คือจิตสะอาดสว่างสงบรนะู้ตื่นเบิกบาน มันก็เป็นอย่างนั้นนะถืออันนี้ไม่ไม่ออกไกลอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ในใจใจที่เป็นใจในภายในพระธรรมคือธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติต่างๆยิ่งเป็นสติสินสมาที่ปัญญาเป็นเครื่องมือทำอะไรก็ได้ไปไหนก็สะดวกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มันก็ถือขึ้นมาธรรมชาติยึดเอาอความดีความงามยึดละชั่วทำดียึดพระสง์ก็ไปบัตรดีแล้วสมควรแล้วมันไม่ใช่กาพระพุทธโดนทองคำว่ายพระธรรมโดนใบลานวหพระสงค์โดนผ้าเหลืองโดนลูกชาวบ้านมันเลยกลายเป็นคุณธรรมที่เรายึดถืออยู่ภายใน มันก็อยู่ในความรู้สึกตัวในความเป็นปกติในความเป็นปกติตุ ก, กังที่รู้สึกตัวทุ ก, กังที่รู้สึกตัวก็เป็นปกติมันก็เป็นของกันและกันจับได้อย่างอีกอย่างก็ได้มาจับได้หนึ่งอีกเป็นพวงเลยก็ตามมามันก็เห็นอย่างนั้นมันมีอยู่ในความรู้สึกตัว มันจึงเป็นความอบอุ่นเป็นการใช้ชีวิตที่มีชีวิตชีวาเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขสัรเป็นสันที่สุขสันที่ภาพกับใจของเราเราใช้มันเมื่อก่อนมันใช้เราใเรา้เราโกรธเรารบเราหลงใจเรา เมื่อกี้กอมันมีทธิพลมีอำนาจมาสั่งงานสั่งการเราให้เราทุกข์จมทุกข์อมทุกข์บัดนี้มันก็มีสลาภาพเหมือนกั น, นเกิดเสลีสีเล่ขึ้นมาอิสลาภาพอิสละมมันมีศีลศีลก็นำพระกระซับมาให้มันมีศีลศีล ก, ก, ก็นำความสุขมาให้มันมีศีลศีลก็นำความเย็นมาให้ศีลมันก็จึงเป็น บาตฐานไำใ้เกิดสมาธิสมาธิเป็นบาตฐานทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อมีปัญญามันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นขึ้นมาทุกครั้งที่รู้สึกหลงมันก็รู้ลม้มก็ ร, กรู้มันรู้มันรู้ไม่ถูกก็รู้เนี่ยหลงมันหลงไป มาหลงไปยึดเห็นโกงจากบันดอกบัวทิศี์ต่างๆมาหน้าต่างๆมันก็ได้บทเรียนมันก็พี่เป็นครูเหมือนครูคือสอนลูกสิทธิผิดนะหมัถูกขึ้นมาสอนลูกสิษิ์ที่ไม่รู้แอมรู้ขึ้นมามันเป็นอย่างนี้มันรู้แล้วหลายๆคนเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปชุมชนสังคมมันก็เป็นหนึ่งเดียวกัน มันก็กายพันมองหน้าก็รู้ใจมองตาก็เห็นความดีอยู่ภายในเห็นการแสดงออกทั้งวันคนดีก็อยู่คนดีคิดสร้างสรรค์ต่างๆทำงานทำการมากมายมีงานทำทั้งวันกายวาจาใจงานก็ทำให้งามขึ้นมา อะไรไม่งามก็ทําให้งามขึ้นมาอะไรไม่ดีทําให้ดีขึ้นมาทำตั้งวันแล้วไม่ยึดดีไม่ติดดีไม่ติดผลงานไม่ติดเก้าอี้ทำงานตั้งวันมืนไม่ได้ทําอะไรมันก็จะทําแบบไร้ตัวไร้ตนมันก็เป็นปรากฏการณ์ขณะต่อขณะของชีวิตของแต่ละคนที่กําลังดําเนินเราก็เห็น เห็นต่อไปเห็นไม่ใช่สตุลตนบุคคลเราเขาเห็นเป็นสมมติเห็นเป็นบัญญัติต่างๆความคิดมันเป็นโรงงานผลิตตัวหลงในความคิดที่เผลอมันยิ่งใหญ่มากเราก็ชํานาญเหมือนกันที่จะรู้สึกตัวที่ฐานกายใหม่ๆแล้วไม่เอาเหตุเอาผลเอาตัวความผิดม่โยงกันมาความคิดทั้งหมดปล่อยไปก่อนผู้ใหม่ คิดรู้อะไรทั้งหมดไม่อ้มหรหือแค่สัมผัสนั่งเดินยืนนอนสัมผัสกระทบรู้สึกนอนก็ทำได้นะเห็นนอนลงไปมันก็เคลื่อนไหวเกรงกลถึงหย่อนนอนเสร็จปับ๊บหลังแตะพื้นเป็นเองเราก็ดิกนิ้วเล่นกระดิกเท้าเล่นอันนี้เจตนาผลิตอาจารย์กำพลต่อมนมนุ่มเน่ไม่มีรีบอเดิน ใช้นอนแมพอยู่บนเตียงนี่แหละพลิกมือไปพลิกมือมาเรียนก็มาถ่ายก็ไม่ได้มาเจอครูบาอาจารยนะ์เรียนทางจดหมายหลังจากพิการมาหลายปี16ปีอ่านหนังสือตำรับตำรามาตลอดตอนหลังพ่อลวงชิดตนะอนบนนมก็เอาหนังสือหลวงปู่เทียนไปให้ อ่านหลวงพ่อเ ข, เขียนก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนก็ตายไปแล้วแต่อ่านแล้วรู้สึกประทับใจก็อยากจะไปบัดทำแนวเคลื่อนไหวเจริญสติยกมือสิบสี่จังหวะแต่ด้วยความที่เป็นอัมพกอมาตก็ไม่มั่นใจนะว่าตัวเองเจะ ทำได้หรือไม่เพราะว่ามันเคลื่อนมือตามรูปแบบสี่ชั้นหวไม่ได้ก็เลยเขียนจดหมายมาขอากรรมฐานจากหลวงพ่อเขียนสุวรรณโนหลวงพ่อก็ตอบจดหมายกลับไปคนพิการก็ปฏิบัติทำได้ยังหายใจอยู่ก็พิษตาอยู่ก็สามารถไปทมได้ให้พลิ ก, ม, ก, ม, กมือก้ามพลิกมือหงาย เคลื่อนไหวรู้สึกพิกลวมก็รู้สึกพิกลงายก็รู้สึกกระทบกันก็นรู้สึกถึงกระดาษนั้นนะ น, นอนปฏิบัติอยู่บนเตียงหนึ่งเดือนยังเข้าใจธรรมะนะหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนรู้สภาวะรูปนามชัดเจนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันปรากฏแล้วแหละรูปนามปรากฏแล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจพอหนึ่งเดือนเนี่ยมั่นใจเลย เราลองนึกดูนอนบนเตียงเตียงนุ่มๆแล้วก็พลิกมือไปพลิกมือมากับเราที่เดินได้แล้วก็นั่งยกมือได้ทําอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้พระอาจารย์กําพลกับเราใครจะง่วงง่ายฝักกันแล้วก็หลับง่ายฝักกันโยบนอนอยู่บนเตียงพลิกมือหนึ่งเดือนก็ยังรอดเลยสอบผ่าน มีอยู่ทีมก็บอกว่าชัดแล้วเกินก็คือนอนอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะนะปีนั้นน้ำมันท่วมหนักเลยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาบันทารตะโกเสร็จแล้วน้ำมันท่วมไอสาเรเลื้อยคลานก็หนีเลยงโงงโงมก็เลื้อยมาที่หน้าต่างและหน้าต่างก็อยู่ตรงข้างๆใบหน้าของอาจารย์กำพลงโง่บรรเลื้อยมา เยใกล้เข้ามาเลื้อยใกล้เข้ามาถ้าเป็นเราจะทํำยังไงอะกิ้งหลบลงเตียงเลยใช่ไหมตกน้ํำตูมไปเลยอาจารย์คนต้องนิ่งมันเห็นจิตใจของตัวเองนะีมันเห็นจิตใจของเองโอ้มันปกตินี่ยนั่นโ ง, ง่นี่เรานั่นมันเป็นแค่รูปของเราก็รูป สภาวะของสติที่รู้อยู่มันก็ดูไปทางตา ม, มก็ไม่ได้ปรุงมันก็เป็นแค่กิริยาของอาการงูที่มันเคลื่อนมาในสมองไม่มีคำว่างูหรืองูพิษอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รังเกียจไม่ปรุงนะก็เหมือนบางคนที่วันนี้พูดว่าเออเราเห็นรถขับไปขับมานั้นแล้วก็ไม่ได้บอกยี่ห้ออะไรเราก็รู้ว่ามีรถแต่เราไม่ได้ปรุงไม่ได้คิดนะ มันเป็นอาการที่เห็นสอดร้อยเห็นเราก็เริ่มเห็นแล้วอ๋อมันมีการเคลื่อนไหวไปนอกแต่จิตหยุดรู้เห็นจิตเห็นใจมันเป็นปกติมันเคยไปกับรุนรดแสงสีกลิ่นเสียงต่างๆออกไปนอกตัวอย่างนี้บัดนี้มันหยุดรู้การเคลื่อนไหวนะมือตลอจังหวัดมันหยุดก็รู้ขณะที่มันเคลื่อนไหวก็รู้หนาเต็มหยุดก็รู้ เคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเป็นจังหวะมันก็รู้เป็นเปราะเป็นเปาะเป็นเปราะการฝึกการหัดมันเหุนตรงเนี้ยก่อนเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีอารมณ์ภายนอกที่มาทางตาวาันที่ละเอียดกว่ า, าเช่นแสงมระทบตาในี่ละเอียดนะหรือเวลาที่คนใกล้ตายเนะี่ยเสียงมระ ท, ที่หูในยละเอียด มันก็เป็นลักษณะของความรู้สึกที่จากอยาบไปหาละเอียดจนกระทั่งความคิดเนี่ละเอียดเวลามันคิดตึกขึ้นไปนะโอ้โหแต่ถ้าประณีตประณีตดีจะเห็นมันหยาบเวลาเราแยกกายมีสมาธิจะเห็ น, ม, นมันเกิดแต่ละทนะีมันวันไหวเลยนะภายในของเรามันวันไหวเลยมันเหมือนกับเราเคยดักอวนกันไหมดักไขดักไคร เคยไหมเคยดักไข่ไหมดักอวนในกลองอาจมาเคยไหมผเ พ, พเพก็เคยเคยซื้อไข่มาแล้วก็ลากจากฝั่งหนึ่งของกลองแล้วก็ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของกลองมันจะมีหลายเบอร์มากถ้าใช้กับปลาใหญ่าตาห่างๆถ้าใช้ตัวเล็กๆถีลงถีลงถึงขั้นปลาซิลปลาแซามันก็มีถีกขนาดนั้น ทีนี้ตอนเย็นๆน้ำลึกๆล้วก็ลอยคอตีกันเชียงดึงนะหาอยู่หากินหลังเลิกเรียนแล้วนะสังเกตว่าสมัยก่อนเนะี่ยปลามชุกชุมเรายังไปไม่ถึงไหนเลยมันติดแล้วเราจะรู้เราเฮ้ยกึกกกกกก ก, ก, ก, กติดแล้วพอเราลากไปถึงที่เราจะเห็นเลยโอ้โห ถ้าปลายใหญ่ดิ่นแรงมากแต่ถ้าน้ำไหลๆนี่มันจะไม่รู้สึก mm hmm. น, น้ำไหลๆนี่แต่ถ้าคนมี mm hmm. มันก็ว่าตั้งอกตั้งใจใส่สมาธิลงไปจะสัมผัสได้เลยรู้สึกได้ง่ายด้วย mm hmm. ยุงก่อเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้เร็วมากแต่ปุ๊บแต่ปุ๊บยกเว้นเป็นอัออมาพาตอัมพาตจะไม่ค่อยรู้สึก อาจารย์กำพลทองบนนมเนี่ยรู้สึกดียิ่งปฏิบัติยิ่งชัดเจนมากๆจนกระทั่งบอกหลวงพ่อว่าตัวเองปฏิบัติแล้วมีผลอะไรบ้างหลวงพ่อก็ใจว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่เขียนสภาวธรรมพูดธรรมะเราสภาวธรรมบอกกับหลวงพ่อก็เลยให้พระไปดูพระที่วัดก็ไปดูคนเป็นง่อย แต่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจสภาวะธรรมก็เลยชวนมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตตอนหลังก็ดังดั ง, ดงเก็บไว้ไม่ได้ปิดไว้ไม่อยู่ก็มีคนขนลงไปที่กรุงเทพเป็นของแปลกนนคนพิการแต่ว่าพูดธรรมมาได้จิตสดใสแม่กายพิการจนกรทั่ทงเดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยได้กลับมาที่สุกโตอีกเลย ใครอยู่สอนหนึ่งอนะพักอยู่บ้านของอาจารย์กำพลนะซึ่งทางวัดก็ปลูกสร้างให้ท่านนะให้ท่านมาหลวงพ่อจะว่ามาพักผ่อนนะหรือเพื่องไงเอามาเป็นตัวอย่างนะว่าเออคนพิการก็ทําสําเร็จมาแล้วอย่างนะี้เลยเราดีๆอย่างนี้จะไปทําอะไรกันองีนะ้ก็ควรปฏิบัติทำกันเอาเยี่ยงเอาอย่างกันนี่นะมันก็จึงเป็นเรื่องของ อยากจะทำความเป็นจริงนะทำได้ทุกคนอันดับแรกคือขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะคนปฏิบัติธรรมไม่ได้น่นหนึ่งสัมมาทิฏฐิไม่มีมันมีแต่มิจฉาทิฏฐิขัดแย้งอยู่ภายในนะมันจะมีของเก่าเยอะนิสัยปัญญาชนที่เป็นลักษณะของคนที่เอาเหตุเอาผลก็จะขี้สงสัยเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะเอาศรัทธาเลย ทดลองทำดูนหนึ่งวันสวันสามวานัววนรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเปลี่ยนนะถ้าลรสังเกตดีๆจากคิดมากก็คิดน้อยจากง่วงมากๆก็ง่วงน้อยลงจากเคยมันรู้ทันได้ช้ามก็ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นแก้วลมณ์งได้ไวขึ้นจากไม่ทนก็ทนขึ้นนั่งวันแรกหานาทีสิบนาทีก็พลิกอยู่นั่นแหละพอหลายวันก็กลายเป็นเออ รับรู้สภาวะได้ดูมันได้ทนผ่านได้หรือไม่ผ่านก็เปลี่ยนด้วยสติเป็นไม่สงสัยเพราะบางทีเนี่ยผู้ใหม่ๆจะสงสัยว่าเอเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีเปลี่ยนมันจะผิดหรือเปล่าถ้าทนมันจะหายไปมันจะถูกมั้งอะไรเอถ้านั่งนานๆไปทนต่อไปมันก็จะเป็นอวบอึกอวบภาดได้นะ ร่างกายของเราก็จะกระทบกระเทือนมีปัญหาป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยเอ๊ะตกลงอันไหนมันถูกอันไหนมันไม่ถูกตอนหลังพอไปไปบัติไปมันก็หายสงสัยอาการปวดมันก็พอฟัดพอเวียนกําลังของสติปวดแต่ก็รู้อยู่มันก็มีเจ็บแต่ก็ทนได้มันก็มีแต่ก็ไม่ต้องทนก็ได้ร่างกายเป็นพัฒนาการขึ้นมาเราก็เลยเห็นนะ สภาวะธรรมที่มันหยาบแล้วก็ะเอียดลงไปสติน้อยๆก็มาขึ้นมาเงี้ยจะต้องเห็นความคิดรู้เท่ารู้ทันร้อยเรื่องรู้สักหาเรื่องสิบเรื่องยี่สิบเรื่องสามสิบเรื่องแต่ะวันแตล่ตละวันจนกระทั่งมันมากขึ้นมากขึ้นก็บเบา ห, หัวหัวรู้สึกโล่งเพราะขยะความคิดมันถูกกําจัดขยะความคิดมันถูกรู้เท่ารู้ทัน ปลดปล่อยก็เรียกว่าชำระจิตให้ขาวรอบมันก็จึงมันอกมั่นใจเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเป็นศรัทธาสัมปยุทธ์ไม่ใช่ศรัทธาวิปยุทธศรัทธาสัมปยุทคือมันเจเกิดจากภายในของเราก็คือใจของเรามันสามารถที่จะปลดปล่อยพลังที่ทําให้เราทุกข์ปลดปล่อยปล่อยวางทุกครั้งที่รู้สึกรู้เท่ารู้ทัน อันนี้มันก็เกิดอันนี้ส่งขึ้นมาเปลี่ยนได้จริงๆใจเรามันเคยหมักหมมลกเรือนมันก็ห้องนอนไม่เคยจัดมาหลายวันหลา ย, ลายเดือนหลายปีบ้านตะละ้องตะละ้องเงือองน้ําก็มีตะใคร่เ ข, ข้าไปก็ลื่นอย่างนี้นะมีตะแครบสิ่งสกรปรกเหมือนใจเราบัด น, นี้เรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว มันก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจําละคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาคิดดีก็รู้แล้วคิดไม่ดีก็รู้แล้วกลับมาสัมผัสกระทบรู้สึกบ้านมือเลยสะอาดนอกจากพาใจกับบ้านแล้วต้องเป็นบ้านที่สะอาดด้วยเป็นบ้านที่เราจะได้อาศัยยนั่งวายแล้วสุดท้ายก่อนตายต่อไปรู้จากวิธีทําความสะอาด เพราะว่าการทําความสะอาดนี่ถ้าทําความสะอาดไม่เป็นมันก็เลอะนะสกปรกยิ่งกว่าเก่าได้เหมือนกันกวาดบ้านไม่เป็นบ้านก็เลอะมากกว่าเก่าถูบ้านไม่เป็นบ้านก็สกปรกมากกว่าเก่านีแต่ว่าเราทําเป็นทําเป็นเช่นไม่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมะนะีเป็นสิ่งเวทล้อมเป็นส่วนประกอบเราลุ้ให้เป็นปัจจุบันขณะองนี้ หลงูดเทียนก็พูดเทคนิคปฏิบัติไว้ชัดนะรู้ให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะอย่าพูดอย่าคุยนะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่เสมอนะการเคลื่อนการไหวไม่ว่าจะทำในรูปแบบนอกรูปแบบเราก็ตามรู้อยู่เสมอเป็นปัจจุบันกันนะรู้จนกระทั่งนะตัวรู้มันรู้เตืนเบิกบานขึ้นมาจริงๆนะ ถ้ารวมแสดงตัวขึ้นมาก็นะเป็นเรื่องของนะประสบการณ์ตรงของใครของเรานะทีเราจะต้องทั้งเข็นโคกขึ้นเขาแล้วก็ต้องระวังขณะที่เข็นโคกลงเขามันเป็นยังไงที่เราว่าเข็นโคกขึ้นเขาก็คือระหว่างที่มันผ่านอารมณ์ลำบากยากนิวรธรรมต่างๆนะเสร็จแล้วมันผ่านได้มีความสงสัยมันก็ผ่านได้มันกลับมารู้สึกตัวเป็นอย่างี้นะ มีความงวงก็รู้เท่ารู้ทันทะลุความงงยยเกิดปิติเงี้ยนะบางทีมก็รู้ทันการพยาบาทขึ้นมาก็เกิดปีติขึ้นมาทุกครั้งครั้นี้มันเป็นป่ายกุศลการนี้มันจะหลงสุกไอ้การนี้ไอ้ตัวนี้เจ้เห็นคกลงเขานบเบรกตรงดีสักหน่อยพอยิ่งมันรู้อารมณ์รูปทำนามธรรมรู้รูปรู้นามเมืองตัววิปัสสนโออารมณ์ น, นี้เรียกว่าเห็นคกลงเขา มันเป็นตลุณีของวิปาาัสสนาญาณมันเบาเนื้อเบาตัวขึ้นมาทำมาอยากอยู่จะไหนเคยมีอยู่คนหนึ่งตอนนั้นอยู่วัดหลวงพ่อมหาไหลโกสโกที่ อ, อำเภอนาเชือกจังหวัดสรากามหญ่เขาอายุประมาณแปดสิบาก็เดินก็เมื่อยนั่งก็เมื่อยนะ ตอนเกิดโคกขึ้นขาวะนะคราวนี้ก็เดินจนกระทั่งมันเกิดปิติขึ้นมาอย่างแรงเลยตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็มีความสุขนะหน้าตาเน้อเลือดฝาดขึ้นมาเลยนะคนมีความสุขนะแต่ตอนที่มันติดอารมณ์ฝ่ายอกุศล น, น่าจะซีดๆดำๆแต่พอฝ่ายกุศลข้นมาจะขาวๆแล้วก็มีเลือดฝาดชมพูชมพู หน้าตาแววตาจะเบิกโปรงขึ้นมามันตาเนี่ยแกเดินไม่หยุดเลยบอกให้ไปอาบน้ำก็ไม่ไปพอพราก็รู้อยู่คนที่เป็นพระพี่เลี้ยงหรือว่าผ่านอารมณ์พวกนี้มาจะรู้โยมนี่เวลาได้ยินเสียงคล้องม้งเนี่ยดีใจมากแล้วจิตตื่ น, เ, นเวลาที่ดีที่สุดของนักปฏิบัติคือเวลาที่เสียงคล้องดังหมดยกนย มันจะแบบวโ่โสดชื่นขึ้นไปเลยแต่ยายคนนี้นี่ไม่ยอมไปตามเพื่อนนะก็ไปถามบว่ายายไม่อบน้ําเหรอยา ย, ยายไม่ไปอะยายไม่ไปอะอะทาไมยายไม่ไปละ่ะครับหมดเวลาแล้วนะโอ้ยยายไม่รู้มันเป็นยังไงมันเบาเนื้อเบาตัวเจ้าเนี่ยจนยายอยากจะบินบินบินบินบิ น, บนไปเหนะยายก็วก่าอย่างนั้นนะเบามากเลย คงจะเหมือนกับเครื่องบินที่มันวิ่งได้ที่กาลังจะบินแล้วนะโยมอันนั้นก็เรียก ว, ว่าเข็นโคกลงเขาแล้วนะเราก็จึงว่าเมื่อเวลานอนก็ต้องนอนนะอารมณ์จะได้ดีขนาดไหนนอนเถอะนะแล้วเดี๋ยวเช้าก็เอากันใหม่นะประมาณทีสามตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะทีนี้พอตีสามตื่นขึ้นมาทำวัดจตุมกนะิจวัตรประจำวันรามาปฏิบัติ อย่างเนี้ยนะ น, นอนนี่นอนไววิธีการนีนะ้เป็นธรรมชาติตื่นก็ตื่นไวนะประมาณตีสามตื่นแล้วเสร็จแล้วก็ฝึกสติเล่นๆไปกับการล้างหน้าแปรงฟันนะพับที่นอนหมอนมุง้งหรือ ว, ว่าเตรียมมาขว้าเช็ดถูสาราอย่างี้นะเตรียมปูผ้าที่นี่ก็ดีนะมีคนแก่ ก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจมาปูผ้าตอนเช้าให้พวกเราอายุ80สิบกว่าปูผ้าเรานั่งกงนเนี่ยราก็ตื่นขึ้นมาทำดีกันต่อโดยเพราะว่าเก็บตกกรรมฐานนอกรูปแบบแล้วก็ในรูปแบบให้ต่อเนื่องทั้งวันและอันนี้ก็พูดให้ฟังไว้เป็นเบื้องต้นอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการคิดการปรุง รก็รู้มันไม่ได้ห้ามมันนะนะกลับมาสัมผัสกระทบนะทุกๆุกนะอาการที่มันแสดงออกมาทางรูปธรรมนามธรรมโดยเฉพาะนะการเห็นกายตามความเป็นจริงนะการเคลื่อนกันไหวที่มันเป็นความรู้สึกนะตรงนี้มันเป็นคําตอบแต่เบื้องต้นยันที่สุดเลยนะเบื้องต้นก็คือเห็นกายนะที่มันเคลื่อนไหวอยู่ต่อมาคือเห็นเวทนาที่มันเกิดกับกายแล้วก็เกิดกับจิตด้วยเวทนาคือสุขคือทุกข์นะ ถ้าเกิดที่กายมันก็จะเกิดที่จิตด้วยถ้าจิตมันเผลอหลงก็มารับรู้<ม>กระทบสัมผัสแล้วดึงนะเอาเวทนาเข้าไปสเสวยอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติแลึลกรู้อยู่ก็จะเห็นเวทนาในกายนะของจิตก็คือจะเป็นลักษณะของความเป็นปกตินะหรือว่าตัวสติมันเด่นอย่างเงี้ยนะทีนี้ตัวจิตเวลามันคิดมันก็เคล็ดสมองเหมือนกันตึกๆึก ก, กนะว่าไปว่ากระทบสัมผัสอยู่ เราก็จะรู้ว่าอ๋อนั่นคือตัวคิดนะเป็นลังเป็นสมมิฐานมันก็เห็นได้ที่กายเหมือนกันเป็นความรู้สึกตัวที่ละเอียดนิดธรรมชาติรูปมันกระทบตาเสียงมันกระทบหนะูเสียงก็มีพลังเป็นเดซิเบลกระทบมันก็รู้สึกได้นะจิตของเรามารับรู้ที่ทวารหูก็รู้สึกได้เริ่มปกติอยู่มันรู้อยู่เฉยเฉยมันไม่ต้องมาเหนะมือนกับ ม, ามาหารายละเอียดในการฟังมาหารายละเอียดในการดูนะ มันก็รู้สึกว่ามันอยู่กระฐานเขามันอยู่ในแดนของปกติธรรมในแดนที่มันมันไม่ต้องทุกข์เข้าไปยึดแนวลมต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เกิดที่กายเหมือนกันตามีกายยับยัสถ์มีกายยิญญาณจักสูวิญญาณสดตาวิญญาณจิวหาวิญญาณการนักวิญญาณวิญญาณก็คือรู้เพราะฉะนั้นจิตกับวิญญาณนี่ติดกันแต่ว่าจิตไม่ใช่วิญญาณนะ วิญญาณก็ไม่ใช่จิตแต่จิตเป็นนามธรรมแล้ววิญญาณก็เป็นนามธรรมเหมือนกันนะความคิดนี่ก็เป็นนามเหมือนกันาเป็นนามและเป็นรูปนามรูปเราก็เลยเห็นรูปนามขณะที่กายขึ้นไปแล้วก็เห็นนามรูปอย่างเงี้ยสติมันจะตื่นขึ้นมาะฉะนั้นยิ่งเห็นทุก็กยิ่งตื่นตื่นทุกมันก็เลยเป็นความสนุก ข, ของนักปิบัติแปแปบ๊แปบก็หมดวันอีกแล้ววันนี้ อย่างนี้นะดังนั้นก็ขอให้ท่านที่มาใหม่แล้วก็ท่านที่ปฏิบัติธรรมมา5วัน6วัน7วันหรือหลายวันกี่วันก็ตามก็ขอให้ได้เจริญในธรรมแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างสภาวะของความเป็นปกติในจิตในใจของเราให้ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปจนทั้งถึงที่สุดแห่งกองทุกข์มีแต่ความสุขเกษมสา ร, สารก็คือความสุขในพระนิพพานโดยตัวนากันทุกท่านทุกคนทันเทิ